พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนส5งพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าศิลปินสร้างบ้านวันนี้เป็นวันที่สิบ 3ามพฤศจิกายนพุทธศักราช25งพห้าวันที่สิเจ็ดเป็นวันลอยกระทงเป็นวันหมดเขตกรถินเป็นวันสิ้นสุดของกรถินออกพรรษามาหนึ่งเดือนเป็นวันหมดหมดเขตกรถินวันที่สิเจ็ดพฤศจิกายนห้าหก อันนี้เป็นวันที่ส3บสอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่โดยมากก็เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์สุดท้ายจะมีการทอดกระถินสามัคคีกันคงจะมาลุมมาตุ่มพอสมควรเพราะว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานใครๆก็หยุดเสอาทิตย์ต่มาทร่วมทําบุญกับกลุ่มญาติ แต่เมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อได้ไปงานไปชุมเพลิงศพคุณแม่ยอดชาวดอนนะที่เท่าแกมานั่งอยู่ข้างๆที่มรณะตามอายุสังขารป่วยแต่ก็คุณโยมทั้งสองน่ทั้งสองตายายกลายมี เป็นพมีอุปการคุณสำหรับวัดของเรามากมาโดยตลอดพวกเราก็ได้พึงพาอาศัยเกี่ยวกับรถราพระสงฆ์จะไปครวะครูบาอาจารย์ที่ไหนพวกเราก็ได้ประสานติดต่อแล้วก็รับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดของเราก็มีมากแต่และปีก็่สบห0าองค์ไปครวะพร้อมกับศรัทธาญาติโยมไปหลายวัด แต่ละปีไม่เคยขาดนะอันนี้ก็พึ่งจากไปไปชุมเพลิงเมื่อวานนะี้รู้สึกว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมพี่น้องลกูกหลานขาอบอุ่นมากพอสมควรนี่นะ่ะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงพ่อกล่าวและบอกอีกพวกเราท่านหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เดี๋ยวคนนั้นก็นไปเดี๋ยวคนนี้ก็จากไปฮเราก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เหมือนกันที่หลวงพ่อเคยพูดว่าข้าวนี้ตาข้าข้าวหน้าตาเองฮลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตาของใครแต่ละคนข้านี้ก็ตาคนหนึ่งเขาเนี้ยก็ตาคนหนึ่งแต่ทุกคนก็จะต้องไปด้วยกันทุกคนแต่ว่าการจากไปของแต่ละคนนั้น ไปแตกแตกต่างกันตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตัวไหนเป็นผู้รับบาปรับกรรมท่านก็บอกว่าจิตวิญญาณ จิตวิญญาณเป็นผู้รับกรรมร่างกายที่วงเราเห็นเนี่ยเป็นวิบากเป็นวิบากของกรรมกรรมใจเป็นผู้รับกรรมมาแล้วพอมาสร้างบ้านเหมือนกับเราใจของเราเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านใช่ไหมล่ะขี้ค้านไม่มีศิลปะไม่มีศิลปินไม่มีเงินอีกต่างหากอ จากนั้นมาสร้างบ้านคนไม่มีเงินมาสร้างบ้านแล้วก็ไม่มีศิลปะอีกต่างหากมาสร้างบ้านคนโง่ Wong อีกต่างหากมาสร้างบ้านบ้านหลังนั้นก็ไม่สวยไม่งามแต่ถึงยังไงถ้าว่าคนคนนั้นมีศิลปะศิลปินไม่มีเงินก็จริงแต่มีศิลปินมาก็ยังทำขึ้นมาก็ยังพอหน้าดูแต่ถ้ามีเงินด้วย มีศิลปินด้วยมีกำลังด้วยสร้างบ้านจะหรูหราโอ่อาสวยงามได้ดังที่ปรารถนาถ้าจะเปรียบเทียบคำว่าศิลปินหรือว่าผู้มีเงินก็เหมือนกับวิญญาณรูปใจของพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นผู้มีเงิน เ, เป็นผู้มีเงินร่ำรวยเกิดมาแล้วไปเกิดในที่รวยเลย แต่ว่ารูปล้างขี้ร้ายขี้เลเพราะอะไรเพราะว่ากรรมตนเองได้กระทำไว้นะในอดีตเกิดมาก็มีแต่ความโมโหโกรธามีแต่ความอไม่ยินดีในการทำของที่เจ็ดสวยงดงามด้วยอารมณ์อันนี้เกิดมาพบนายชาติหนักเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ใดเกิดมา สร้างบุญสร้างกุศลด้วยเป็นกุศ ล, ลกรรมด้วยแล้วก็มีสติปัญญาด้วยคล้ายๆกับมีเงินแล้วก็เป็นศิลปินตกแต่งสร้างคุณงามความดีเข้าไปคนนั้นก็สวยงามประสบสาเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปราถนาทั้งบุญทั้งสติทั้งปัญญา ตั้งทุนทัพย์ด้วย น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการกระทําสิ่งไหนก็ตามไม่ได้ทําให้กับใครอื่นทําให้กับตัวเองทําให้กับใจตัวเองแต่มันมองยากเหลือเกินคําว่าใจใจคํานี้นะ่ะมันไม่เหมือนรูปธรปรมรูปธรรมเหมือนกับร่างกายเรามองเห็นกันได้ รูปร่างกลางตัวเสร็จสวยงดงามขี้ลาลขี้เลเรามองเห็นกันได้แต่วาจตัวนี้นะ่ะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านมองเห็นท่านมองเห็นใจของใครเป็นยังไงถ้ามียานทัศนะท่านมีฌานมียานทัศนะแล้วท่านจะมองเห็น ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องเรื่องนี้อย่างมากคือมองใจก่อนที่พระพุทธเจ้าจะขึ้นแสดงธรรมหรือว่าจะโปรดใครอย่างนี้ท่านก็มองมองดูว่าใครที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาในคราวนี้จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจิตใจของเป็นยังไงเขายอมรับมากน้อยแค่ไหนพระพุทธองค์จะต้องมองมองเข้าไปหาใจ อันนี้เรียกว่าอะไรมนโนไม่ยัิทิข่ะมนโนมงองดูใจของแต่ละคนอันนี้ก็คืออยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่พวกเราท่านทั้งหลายโดยมากกูบายจานทั้งหลายเหมือนกันก่อนที่จะแสดงธรรมและก่อนที่จะพูดหรือว่าก่อนที่จะทําความเข้าใจกับชุมชนและสังคมที่มาเกี่ยวข้อง เวลาพูดเราก็ต้องมองหน้าซะก่อนอันนี้คือเป็นธรรมชาติของคนเขาพอใจไหมคือเขาไม่พอใจในเรื่องนี้เแต่ถึงเขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามแต่เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้จะต้องพูดให้ฟังแต่เขาพอใจไหมเขาไม่พอใจเราก็รู้อันนึงคือเขาไม่พอใจเราก็ต้องระวังอีกเหมือนกันวันนี้คือพูดออกไปเนี่ยเขาไม่พอใจแต่จะต้องพูดอย่างนี้เพราะเหตุอะไรเพราะเลือกเหตุผลมันเป็นอย่างนี้อแต่ให้เขาพอใจเลยไม่ได้ แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมองดูพอใจเออพอใจกันไปว่าจบกันไม่มีผิดมีภัยอะไรแต่เขาไม่พอใจเราก็ต้องรู้ว่าที่เราพูดออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ศบไม่ศบอารมณ์เขาสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้มองอันนี้ก็คือจิตวิญญาณเหมือนกันในความนึกคิดเหมือนกันแต่ถึงยังไงตานั่นแหละ เป็นบ่อตาเนี่ยเป็นประตูสำคัญที่เราพูดไปแล้วก็มองดูมองดูสายตามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องที่เราแสดงเรือเราพูดออกไปถึงจะพูดเป็นศีลเป็นธรรมก็เถอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดในชาดกนะแต่พูดให้พระเจ้าแผ่นดินฟังลือีพูดให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินถวายบ้านสวย ถวายบ้านสวยถวายวัวควายให้กับฤาษีแต่ฤาษีท่านก็ไม่หลับเพราะว่าท่านเป็นฤาษีท่านถวายคืนกับพระราชาแต่ฤาษีไปพูดคาเก่านั่นแหละให้กับนายแกวเรือเพอไปขี่เรือเขาแล้วน่ยกลับไปอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยการที่ท่านแกวเรือเนี่ยท่านต้องใช้ บททาบทนี้บทนี้บทนี้พูดแทนนายเจ้าเรือนายเจ้าเรือตบปากฤษีนี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือการพูดและการแสดงมันต้องดูการสถานที่บุคคลซะก่อนถ้าบุคคลคนหนึ่งพูดออกไปก็เป็นที่ยอมรับแต่พูดอีกกลุ่มหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งเป็นที่ไม่ยอมรับเพราะนั้นการพูด หรือว่าการแสดงทําเหมือนกันหลวงพ่อมาเปรียบเทียบอีกจุดนี้เหมือนกันแต่จะให้คนยอมรับทุกคนซะ ก, ก่อนยังค่อยพูดก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันแต่บางคนก็ยอมฟังฟังเชื่อและไม่เชื่อเป็นอีกส่วนนึ่งแต่เขาฟังฟังเพื่อเหตุผลแต่บางคนก็พอได้ยินเข้าไปแล้วเหมือนกับไม้ นามจิ้มเข้าไปในหูนะ่ะเอออย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะให้เขาฟังทุกคนซะก่อนเราจริงจะพูดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแถ้าเขาไม่ฟังเราดูแลกับกิริยาที่เขาไม่ฟังเราจะไปดันทุลังพูดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะพูดหรือการที่จะแสดงทำให้กับคู่คนทั้งหลายฟังนี่ มันเป็นเรื่องยากอยู่นะศรัท้าญาติโ ย, ยมลูกหลานอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพระลูกพาหลานต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าเราไปนะัดสถานที่ใดฟังไม่ฟังเราก็พร่ำไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าบ้านน้ําลายแต่ถาว่าพวกเราดูซะก่อนดูซะก่อนว่าเออจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อพวกของเราถ้าพูดไปอย่างนี้จะเป็นการโน้มน้าว จะเป็นการชักจูงจะเป็นการทําความเข้าใจกับในหมู่ในคณะของเราขนณะนนเราค่อยค่อยพูดค่อยแนะแนวให้ฟังนะเมื่อแนะแนวให้ฟังแล้วก็ถึงเขาจะไม่ฟังแบบฟังแบบทิ้งๆิควงควางทิ้งทิ้งไกลไกลก็าตามเถอะนะแต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเขาราลึกได้เออชายที่ท่านพูดในวันนั้นะประเด็นนั้นน่าน่าฟังน่าศึกษาแล้วก็ เป็นมีเหตุผลมีประโยชน์สําหรับชุมชนและสังคมต่อข้าพเจ้าเองแต่ถึงใครจะไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์สําหรับข้าพเจ้าเองนี่แหละอันนี้ก็คืออย่างเอ็มพีสาลงพ่อของเหมือนกันเมื่อกี้ในท่านอัยการภาคถ้ามาพูดว่าโอ้เอ็มสาของท่านผมฟังตลอดเลยนะกระเป๋าใหญ่นะ ฟังตลอดเลยพอช่วงว่างช่วงไหนผมก็ฟังไม่นเป็นประโยชน์สำหรับผมจริงๆเพราะมันเป็นแนวความคิดเป็นแนวความคิดที่จะพูดให้กว้างขวางแนวหลายหลายอย่างอย่างที่ท่านพูดเนี่ยหาฟังผมว่าหาฟังได้ยากแต่สำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่ว่าแะแต่สาหรับผมมีประโยชน์จริงนี่แหละ อันนี้ก็คือที่เราได้พูดไปหลวงพ่อได้พูดในเอ็มพสาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อกฟังของหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะเอ็มพสามชุดออกใหม่เนี่ยชุดแปดแผ่นเนี่ยหลวงพ่อ ฟ, ฟังฟังดูแล้วอุ้ถ้าเป็นมวยนะมวยไทยนะไม่ใช่มวยสากาลเหมือนนเอหลวงพ่อบอกเลยมวยไทยเหมือนนเออ้างเหตุผลนี่ ทุกระดับเลยออกนี้ออกไปเพื่ออะไรทำไมเพราะเหตุใดจงพ่อฟังฟังแล้วอือนี่แหละอันนี้ก็คือทรมกถึกคือนักนักเทศแสดงธรรมไปโดนลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาบเพราะเห็นแกย่ยศไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น เอยอย่างนี้เป็นต้นนะในธรรมกระถึกแต่หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วที่หลวงพ่อพูดไปในเอ็มพสาของหลวงพ่อเนี่ยดูดูแล้วหลวงพ่อไม่ได้กระทบกระแทกคูอื่นแต่กระทบก็คงจะกระทบกิเลสนะกิเลสภายในใจของพวกเราท่นทานทั้งหลายกระรรมดาระกิเลสกับรรมมันต้องกระทบกันเหมือนกับมุมมุมแดงกับมุมขาวลักษณะอย่างนั้นอนะธรรมะเป็นมุมขาว เลาก็กิเลสมันเป็นมุมดำฮะแล้วจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงกิเลสกับธรรมเพราะนั้นเราจะต้องพูดเรื่องธรรมชาระกิเลสเพราะนั้นกิเลสมันเป็นยังไงโลภโกรธหลงเป็นยังไงเพราะนั้นจะต้องอ้างอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังผู้ฟังเข้าใจแต่จะไม่กระทบเสลยมันก็ไม่ได้ ถ้ามันไม่กระทบสิ้นเลยมันก็ต้องขาวด้วยกันใช่ไหมมันก็อันเดียวกันถ้ามันเป็นดําอยู่มันก็ต้องมาดําดําดําอยู่ตลอดนะอันนี้คือเหมือนกันะกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะอมันไม่ดีอย่างนูมันไม่ดีอย่างนี้มันหายอย่างนะ้อย่างนั้นถ้าส่งเสริมเข้าไปมันจะเป็นอย่างนูมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ธรรมะก็ต้องชี้ประเด็นประเด็นที่มันจะเสียหายเกิดขึ้นน อันนี้ก็คือธรรมะที่หลวงพ่อได้ฟังฟังดูแล้วนะเอ็มปีสมของหลวงพ่อที่ออกไปงานกรถินนี่แแผ่นนะสตาญาิโยมโลูกหลานนะฟังฟังดูนะหลวงพ่อบอกว่าหลงพ่อฟังดูแล้วพอืมีประโยชน์สําหรับผู้ใยในการศึกษาไฝ้ใยในการศึกษาถ้าฟ้าใครได้ฟังแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับ ผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยคําว่าน้อยเนี่ยหลวงพ่อไม่อยากจะพูดเลยละ่ะถ้าฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถที่จะประับปรปุงกายใจของผู้ได้ยินได้ฟังถ้าฟังข่าวเนี่มันเบือ่อข่าวหน้าหายฟังอีกจะไปฟังมากสรุปแล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปฟังมาก ถ้าฟังฟังมากๆลำมันเบอฮะมันเบอ ร, บอร์แล้วก็เปิดฟังแล้วก็ปิดไฟกอนข้าวหน้าก็เปิดฟังอีกเปิดฟังอีกแล้วก็ข้าวหน้าปิดไฟกอนแล้วก็เปิดฟังถ้าฟังอย่างนั้นฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจหลวงพ่อมั่นใจว่า MP ็สหลวงพ่อเนี่ยจะเกิดประโยชน์สําหรับลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมมากทีเดียวนะอันนี้ เป็นการแนะนำ m อ3สามนะลูกหลานคณะสัทยาญาติโจมนะฟังฟังนู้นนะไม่ใช่หลวงพ่อกี้อวดขี้คุยเด้ฟังฟังดูกันแล้วกันนะเอารับพรอนอุโมทนาให้พร